เป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทได้ปล่อยวางการหาทรัพย์ภายนอกไว้ชั่วคราวคืออาทิตย์หนึ่งให้เราหยุดทำมาหากินหาทรัพย์ภายนอกกันเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาหาทรัพย์ภายใน เพราะว่าทรัพย์ภายในนี้สำคัญกว่าทรัพย์ภายนอกเพราะว่าทรัพย์ภายนอกนี้เวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วเราไม่สามารถเอาทรัพย์ภายนอกไปได้เลยแม้แต่บาทเดียวแต่ทรัพย์ภายในนี้เราสามารถเอาไปได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเราได้สะสม ทรัพย์ภายในระดับไหนทรัพย์ภายในนี้ก็แบ่งเป็นระดับเหมือนกับทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกก็มีตั้งแต่ระดับ10ระดับร้อยระดับพันระดับหมื่นระดับแสนระดับล้านระดับร้อยล้านพันล้านไปทรัพย์ภายในก็มีเป็นระดับระดับเช่นเดียวกันเริ่มต้นด้วย ระดับแรกเราเรียกว่ามนุษย์สัทรัพย์แล้วสูงกว่าละมนุษย์สทรัพย์ก็มีเทวทรัพย์สูงกว่าเทวทรัพย์ก็มีพรหมทรัพย์สูงกว่าพรหมทรัพย์ก็มีอริยทรัพย์นี่คือทรัพย์ต่างๆที่เรียกว่าทรัพย์ภายในที่ใจเราจะสามารถเอาติดตัวไปได้ ตอนนี้พวกเรามีร่างกายเป็นมนุษย์ตอนที่เรามาเกิดตอนนั้นเราถือว่าเรามีมนุษย์สยทรับติดตัวมาแต่เราจะสามารถรักษามนุษย์สยทรั์ที่เราได้มาตอนที่เราเกิดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติที่เรียกว่าการรักษาศีลคือการละการกระทำบาปทั้งปวง ถ้าเราไม่รักษาศิ่งเราทำบาปอยู่เรื่อยๆมนุษยทรัพย์รับที่เราได้มาตอนที่เราเกิดก็จะค่อยๆจางหายไปและทรัพย์ที่จะมาแทนที่ก็เป็นทรัพย์ของเดลฉานทรัพย์ของเปรตทรัพย์ของอสุ ล, ลกายและทรัพย์ของนรก ถ้าเราอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ร่างกายเราตอนนี้เป็นมนุษย์และอยากจะให้ใจเรานี้เป็นมนุษย์เราก็ต้องรักษามนุษย์ศิลาท์ด้วยการไม่กระทำบาปทั้งปวงบาปนี้มีอะไรบ้างบาปก็คือการฆ่าสัตว์ ตัชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดในการการพูดปดและการเสพอบายามุขเช่นเดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนความเกลียดข้านและการครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิสิตนี่เรียกว่าอบายามุข หาประการบากก็สี่ประการเป็นการกระทำที่จะทำให้มนุษยชาติที่เรามีอยู่นี้สูญหายไปหมดไป mm hmm. ถ้าเราไม่อยากจะลงไปต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ถ้าเราสามารถรักษาศีลได้ละเว้นการเสพบายมุกได้เราก็จะรักษามนุษยชาติของเราไว้ได้ ถ้าเราตายไปเราก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีไม่ต้องไปนับผลบาปที่เราได้ทํากันไว้ก่อนคือถ้าเราทําบาปด้วยความหลงเราก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเราทําบาปด้วยความโลภเราก็จะไปเกิดเป็นเปรต ถ, ถ้าเราทําบาปด้วยความกลัว เราก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายและถ้าเราทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเราก็จะไปนรกนี่คือสิ่งที่จะมาทําลายมนุษย์เซียท ร, รับของเราคือการกระทําบาปและการเสพ บ, บายามุกการเสพ บ, บายามุกนี้ยังไม่เป็นการกระทําบาปแต่เป็นการ ใกล้กับการกระทำบาปคนที่เสพใบายามุกมากจะทำบาปได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้เสพใบายามุกเช่นคนที่ดื่มสุรายาเมาเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาเวลาเกิดความรู้สึกไม่ดีคิดไม่ดีคิดทำร้ายผู้อื่นคิดลักทรัพย์คิดฆ่าสัตว์ก็จะไม่มีสติยับยัง้งก็จะทำบาปได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้เสพ ตุวายาเมาเป็นต้นอบายามุกจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้มีการกระทำบาปได้ง่ายก็เลยจำเป็นที่จะต้องละอบายามุกไปควบคู่กับการละการกระทำบาปถ้าเรารักษาศีลห้าได้ไม่เสบอบายามุกได้เราก็จะมีมนุษยทรัทธ์เป็นทรัพย์ของเรา ถ้าเราตายไปเราก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ทันทีแต่ถ้าเราอยากจะได้ไปสูงกว่าความเป็นมนุษย์อยากจะไปเป็นเทวดาอยากไปสวรรค์เราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งคือการทําบุญทําทานการทําความดีต่างๆการทําบุญทําทานโดยหลักก็คือ ทำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้รับให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้รับไม่เกิดไม่เกิดโทษไม่เกิดความเสียหายให้แก่ผู้รับและผู้ให้ผู้ให้ก็ไม่ได้เกิดความเสียหายเดือดร้อนผู้รับก็ไม่ได้เกิดความเสียหายเดือดร้อนได้รับคุณได้รับประโยชน์จากผู้ให้ผู้ให้ก็ได้รับคุณประโยชน์คือได้บุญได้ทรัพย์คือเทวทรัพย์ การทําบุญนี้เป็นการยกระดับจิตใจจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่ความเป็นเทพถ้าตายไปก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆก่อนสวรรค์ชั้นเทพนี้ท่านก็แสดงไว้ว่ามีถึงหกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับบุญที่ทําว่าทํามากทําน้อยทําบุญมากก็ จะได้ไปสวรรค์ที่ชั้นสูงสูงมากถ้าทำบุญน้อยก็ไปสวรรค์ที่สูงน้อย <c oughs> การทำบุญนี้ก็มีหลายวิธีการด้วยกันการทำความดีไม่ ไ, มได้หมายความว่าจะต้องใช้เงินทองเพียงอย่างเดียว <c oughs> การให้ข้าวของเงินทองนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำกันได้สะดวกเพราะทุกคนก็มีข้าวของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้ พอที่จะแบ่งปันให้กับผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากได้การทำบุญทำทานด้วยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราก็เรียกว่าวัตถุทานอนอกจากการให้วัตถุทานแล้วบางท่านก็อาจจะมีความรู้มีวิชาความรู้ต่างๆที่สามารถเอามาสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้ได้เรียนรู้และได้นำมาไปทำอาชีพทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาขึ้นมา อันนี้เราก็เรียกว่าวิทย า, าทานการให้ความรู้แก่ผู้อื่นการให้อภัยคือไม่ถือโทษกรเครืองเวลาที่เกิดมีความหมาดบางังมีความมีความไม่พอ อ, อกพอใจกันโกรธเกียดกันถ้าให้อภัยได้ใจก็จะเย็ยนใจก็จะสงบใจก็เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมา เรียกว่าให้อภัยอานแล้วก็การให้ธรรมะคือคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้อาจจะเรียนจากหนังสืออ่านจากหนังสือเห็นว่าหนังสือเล่มไหนมีคุณค่ามีคุณประโยชน์สามารถนำมาไปใช้ในการดับความทุกข์ได้ก็มีศรัทธาอยากจะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกอันนี้ก็เป็นการให้ธรรมะ การให้ธรรมารนี้ถือว่าเป็นการให้ที่เหนือกว่าการให้ทั้งปวงเพราะทมเป็นสองที่มีคุณค่ามากที่สุดเพราะทำนิธรรมเ ท, ท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ของใจได้ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถมาดับความทุกข์ทางใจได้ธรรมถึงถือว่าเป็นของที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุด การให้ธรรมะจึงถือว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุดอนอกจากการให้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วยังสามารถทําคุณทําประโยชน์ให้กับสังคมกับผู้ได้ด้วยการกระทําเช่นไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้ทําหน้าที่ช่วยองค์กรการสาธารณกุศลต่างๆ เวลาที่มีภัยพิบัติต่างๆก็ไปช่วยกันเป็นอาสาสมัครทำงานทำการเพื่อบรรเทาทุกความทุกข์ยากลาบากต่างๆอันนี้ก็เป็นการทำบุญทำความดีเหมือนกันและการการอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วก็ถือว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันทำความดีคนที่ตายไปแล้วเขาไม่สามารถรับเข้าของเงินทอง ได้แต่สิ่งที่เขารับได้ก็คือบุญที่เกิดจากการทำทานของเรา<ม>เวลาเราทำบุญทำทานเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลได้และการทำบุญทำทานก็ไม่จาเป็นว่าจะต้องทำกับมนุษย์เท่านั้นทำกับสัตว์ในราชานก็ได้<ม>ปล่อยน ก, กลยปล่อยปลาปล่ไยไถย ไปถ่ายชีวิตวัวควายที่เขาเจ้าไปฆ่าก็ได้ดังนั้นการทาความดีการทำบุญทำทานนี้มีหลายรูปแบบด้วยกันแต่อนันนิสงของการทำบุญทาทานเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดเทวทัพย์ขึ้นมาภายในใจจากมนุษยทรัพย์ใจก็จะมีเทวาทรัพย์ขึ้นมาแล้วเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป ใจก็จะไปเป็นเทพก่อนไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพก่อนจนกว่า บ, บุญที่ได้ส่งไปนั้นหมดกําลังลงถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปอันนี้คือทรัพย์ขั้นที่สองคือเทวทรัพย์แล้วสูงกว่าเทวทรัพย์ที่มีความสุขมากกว่ามีคุณค่ามากกว่าเทวทรัพย์ก็คือพรหมทรัพย์พรหมทรัพย์นี้ได้จากอะไร ได้าจากการปฏิบัตินิคัมมะถือศีลแปดและบาเพ็ญจิตตะภาวนาขั้นแรกที่เรียกว่าสัมมะภาวนาคือการทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิผู้ที่อยากจะไปสู่ผู้ที่อยากจะได้พรหมสัรพัพย์ mm. ก็จำเป็นจะต้องอย่างน้อยรักษาศีลแปดขึ้นไปศีลแปดนี้ จรวมของศีลห้ากับการปฏิบัติเนคขมะการปฏิบัติเนคขมะก็คือการละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นลดเรียกคำว่าเนคขมะนี่แปลว่าการออกจากกามการออกจากการหาความสุขทางกามอารมณ์ทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นลดโพธิภพเช่นศีลข้อสามข้อ ของศีลห้าก็จะเปลี่ยนเป็นอ布 ร, รมัจริยเวรามาณีคือถือศีลพรหมจรรย์ไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็เพิ่มศีลข้อหไม่ให้หาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปให้รับประทานพอเลี้ยงร่าง ก, กายได้ก็พอวันละครั้งสองครั้งเป็นอย่างมากแต่ไม่ไม่เกินเที่ยงวันไปแล้ว ก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายได้ไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารเดิมเครื่องดื่มต่างๆ ต, ต, ตามความอยากถ้าอยากจะได้พรหมมทรัพย์ต้องสละความกามมรสุขไปเพราะกามมรสุขนี้เป็นเป็นสมบัติของเทวทรัพย์พวกเทพพวกมนุษย์นี้เสกเสกกามกันแต่พวกพรหมนี้เขาไม่เสกกามเขาไม่เสกรูปเสียงกิ่นลด แต่เขาจะมาเสพความสงบของใจที่เกิดจากการบําเพ็ญสมถะภาวนาคือการเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งทําใจให้สงบนถ้าสามารถเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบได้ใจก็จะได้พรหมซาบขึ้นมาพรหมซาบนี้ก็มีอยู่สองระดับระดับรูปประภมกับอรูปประภม ผู้ที่ได้ความสงบในระดับรูปฌปานก็จะได้อารูปปภะ ม, มัสสะอรูปปภะ ม, มัสสะส่วนผู้ที่ได้อารูปฌานก็จะได้อรู ป, ประอารูปปภะ ม, มัสสะในทรัพย์ของอารูปภะมัถ้าตายไปใจก็จะไปเกิดเป็นรูปปภะมัหรือเกิดเป็นอารูปภะมัขึ้นอยู่กับความสงบว่าได้ในระดับไหน ถ้าได้ได้ในระดับรูปประชานก็จะได้ไปเกิดเป็นรูปประผมถ้าได้อรูปประชานก็จะได้ไปเกิดเป็นอรูปประชาญทางนี้ทางนั้นก็ต้องมีการรักษาศีลแปดขึ้นไปเพราะว่าถ้าไม่รักษาศีลแปดนี้จะไม่มีเวลาพอเพราะว่าใจจะไปหาความสุขทางการได้อยู่ถ้าถือศีลห้า อยากจะกินอาหารอยากจะดื่มเครื่องดื่มมากน้อยเท่าไหร่ก็สามารถทำได้อยากจะไปร่วมหลับนอนกับแฟนก็สามารถทำได้อยากจะไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปงานเลี้ยงต่างๆไปสถานบันเทิงต่างๆก็สามารถทำได้<ม>แล้วก็<ม>จะนอนสักกี่ชั่วโมงก็สามารถทาได้แต่หล<ม>ัง จะแต่งตัวให้สวยงามระขนาดไหนก็สามารถทำได้ถ้าถือศีลหแต่มันจะเอาเวลาของการปฏิบัติทำของเอาเวลาของการไปทำสมาธิทำใจให้สงบนั่นเองเพราะถ้าเราเอาเราไปเสพกามเราก็จะไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิการที่เราจะเข้าสมาธิได้นี้จาเป็นที่จะต้องมีการเจริญสติ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาค่อนข้างยาวนานพอสมควรคือทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าอยากจะเข้าฌานได้นี้ต้องคอยควบคุมความคิดด้วยสติด้วยด้วยการผูกใจไว้กับอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทธานุสติก็ให้นำเลิกถึงพุทโธพุทโธไปภายในใจตลอดทั้งวันทั้งคืนยกเว้ น, นเวลาหลับ ไม่ปล่อยให้ใจเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือจะใช้กายคตาสติก็คือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอุปยาบทต่างๆเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนกําลังรับประทานอาหารกําลังดื่มน้ํากําลังอาบน้ํากําลังแต่งตัวกําลังทําความสะอาดที่พักอยู่อาศัย หรือทำอะไรต่างๆทุกอิริยาบทต้องมีสติคอยกากับใจให้อยู่กับอิริยาบทต่างๆของร่างกายให้ได้ไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ถ้าสามารถที่จะควบคุมใจได้ด้วยสติได้อย่างต่อเนื่องเวลามานั่งสมาธินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบ ด้วยการผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานต่อไปอยู่กับพุโทโธก็ได้ท่านดูร่างกายเ ป, เป็นอารมณ์ก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกเวลานั่งสมาธิดูลมเข้าลมออกไปไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้พอจิตเข้าสู่สมาธิจิตก็จะนิ่งสงบเกิดความสุขอันมหัศจรรย์ใจขึ้นมา ที่เรียกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าสามารถเข้าถึงสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งได้เป็นเอกขาตาลมได้เป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ก็ถือว่าได้เข้าสู่รูปฌานสเข้าสู่อัปปนาสมาธิหรือคันนิกาสมาธิคันนิกาสมาธิก็คือสมาธิที่สงบชั่วแบบเดียวแบบงูแลบล้น ส่วนอัปปนาสมาธินี้ก็เป็นสมาธิแบบยาวนานสงบนิ่งรวมได้นานเป็นหลายนาทีเป็นสิบนาทีหรือบางท่านอาจจะเป็นชั่วโมงก็ได้ น, นี่คือการสะสมพรหมรัพย์ถ้าอยากได้ได้พรหมรัพย์เป็นสมบัติของเราเวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วทรัพย์สมบัติภายนอกเราไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียว มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ต้องทิ้งให้คนอื่นไปเอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือทรัพย์ภายในเช่นพรหมทรัพย์ถ้าเรามันปฏิบัติเนคข ม, มะรักษาศีลแปในวันพระอยู่เรื่อยๆทุกวันพระเราก็มาอยู่วัดกันหนึ่งวันหนึ่งคืนเพื่อมาเจริญเนคข ม, มะมาเจริญสติมานั่งสมาธิกันทาใจให้นิ่งให้สงบ ถ้าทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆต่อไปก็จะสามารถเข้าสู่สมาธิได้<ม>ถ้าเข้าสู่สมาธิได้แล้วก็จะมีพรหมรัพ์เป็นสมบัติขึ้นมาในใจเวลาตายไปก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมโลกนี้คือทรัพย์ภายในระดับพรหมรัพย์แล้วเหนือกว่าพรหมรัพย์ก็ยังมีอริยทรัพย์อีกอริยทรัพย์นี้ก็มีอยู่สี่ขั้นด้วยกัน มีโสดาบันทรัพย์สกิรดาคามีทรัพย์อนาคามีทรัพย์และอรหันตทรัพย์มีอยู่อีกสี่ขั้นสําหรับขั้นขั้นอริยทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ที่จะทําให้ตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้ลดน้อยถอยลงไปเช่น<ม>ถ้าได้โ ส, โสดาบันทรัพย์<ม>ก็จะตัดภพตัดชาติให้เหลือไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมาก ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วจยากลับมาเวียนไห้ตายเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะไปถึงพระนิพพานได้เป็นอย่างมากไม่ได้หมายความว่าพระโสดาบันจะต้องเวียนไห้ตายเกิดอีกเจ็ดพเจชาติพระโสดาบันบางรูปก็สามารถบรรลุภายในภพเดียวได้ในชาติเดียวได้ถึงขั้นพระอรหันต์ได้แต่บางคนบางท่านอาจจะมีเหตุอะไรทาให้ไม่สามารถทาได้ ก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่แต่ไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถบรรลุถึงพระ น, นิพพานได้ส่วนทระสกีดาคามีถ้าได้ทรัพย์ระดับท ส, สกิดาคามีก็ mm hmm. จะกลับมาตายกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเท mm hmm. ่านั้นเองเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกครั้งเดียวก็ mm hmm. จะสามารถบรรลุถึงพระ น, นิพพานได้ mm hmm. ถ้าได้ขั้นที่สามคือได้ขั้นพระอนาคามี ก็จะสามารถที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นชั้นพรมโลกอยู่แล้วจะบรรลุเป็นพาาระอรหันต์จากสวรรค์ชั้นพรมโลกไปแล้วสําหรับถ้าได้ขั้นที่สี่ได้เป็นพาาระอรหันต์ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดในตายพระมโลกต่อไปก็จะไปอยู่ที่พระนิพพานก <yeah. S 1> ารที่จะได้ การที่จะได้อริยทรัพย์นี้ต้องผ่านการได้พรหมทรัพย์ก่อนต้องผ่านการมีสติมีสมาธิก่อนมีฌานก่อนมีรูปฌปานหรืออรูปฌปานก่อนถึงจะสามารถเจริญอริยทรัพย์ได้อริยทรัพย์การจะเจริญโสดาบโสดาบันทรัพย์ก็คือต้องละสังโยชน์สามประการด้วยกันสังโยชน์ก็คือกิเลส ตัญหาที่มัดใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดมีเช่นสั ก, กายทิฏฐิความเห็นว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราของเราอันนี้เป็นความหลงไม่ใช่เป็นความจริงความจริงแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสภาวะธรรมที่เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วก็ลวะวิจิกิจฉาความนังเลยสงสัยในพระพุทธรธรรมพระสงค์แล้วก็ละศีลพัฒนาปริมตคือความไม่มั่นใจในเรื่องของการรักษาศีลว่ามีคุณค่ามีประโยชน์แต่อย่า ง, างไรนี่คือสังโยชน์สมข้อที่พระโสดาบันจะต้องละผู้ที่ปฏิบัติจะเป็นพระโสดาบันจะต้องละให้ได้ถ้าละได้ก็จะเป็นพระโสดาบัน แล้วถ้าอยากจะขยับจากโสดาบันขึ้นสู่สกิดาคามีก็ต้องละสังโยอีกสองข้อที่เรียกว่ามีชื่อว่าการมราคะและปฏิปฏิฆะสองข้อนี้ไม่ได้มาเขาให้ละอย่างสิ้นเชิงคือทาให้เบาบางลงสกิดาคามีสามารถทำให้การมราคะคือความอยากเสพกราร ให้ลดน้อยลงทําให้ความหงุดหงิดใจที่เกิดจากการเสพกามนี้ลดน้อยถอยลงไปเบาบางลงไปถ้าทําให้เบาบางลงได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนี้ก็ถือว่าได้เป็นพระสะกิรดาคามีแล้วถ้าอยากจะเป็นพระอนาคามีก็ต้องกําจัดให้หมดเลยกําจัดการม马拉ฆะกับปฏิฆะให้หมดสิ้นไปจากใจคือกําจัดความอยากเสพกามให้หมดสิ้นไปจากใจ ด้วยการเจริญอ ส, สุภกรรมาฐานอยู่เรื่อยๆจนสามารถเห็นร่างกายของทุกคนว่าไม่สวยไม่งามความอยากที่จะเสพกามก็จะหายไปเนะ mm hmm. มื่อได้เป็นพระอนาคามีแล้ว mm hmm. ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในกามะ พ, พบของมนุษย์นี่เองนะพระอนาคามีก็เลยจะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรห ม, มโลกแล้วก็ไปละสังโยอีห้าข้อ ที่เรียกว่ารูปราคะอรูปราคะแล้วก็อุทธัจฉะมานะและอวิชชานี่เป็นสังโยชน์ที่ละเอียดขั้นสูงที่ต้องเป็นพระอนาคามีเท่านั้นถึงจะสามารถมีกําลังที่จะไปละได้เมื่อละได้หมดแล้วก็จะได้พระ น, นิพพานได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็จะได้เป็นพระ แล้วก็จะได้พระนิพพานเป็นที่อยู่อาศัยต่อไปพระนิพพานก็เป็นที่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอีกต่อไปอันนี้เป็นทรัพย์ที่สูงสุดคืออรหรันตทรัพย์ได้เป็นพระอารหรันต์พอได้พระอารหันต์แล้วก็จะได้ได้อยู่ในพระนิพพานที่ที่อยู่อีกอีกซีกหนึ่งของของโลกทิพย์โลกทิพย์มีสองซีกซีก สิ่งหนึ่งเป็นสิ่ของการเวียนว่ายตายเกิดที่ดวงวิญญาณของพุทธุชนทั้งหลายอย่างพวกเหล่านี้ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เกิดในตายพบ<ม>บางทีก็เกิดในการมาพบบางทีก็เกิดในรูปประพบบางทีก็เกิดในรูปประพบ<ม>แต่พอได้บรรลุปเป็นผ้าอรหันแล้วกําจัดความอยากทั้งสามได้แล้วความอยากจะเสดการความอยากจะเสพรูปประชานความอยากจะเสดวรูปป ร, รประชานได้แล้ว ก็จะอยู่ในพานิพานอยู่อีกซีกหนึ่งซีกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือทรัพย์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าต้องการให้สาธุชนพุทธบริษัทมาสร้างกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่จะช่วยลดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้น้อยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปได้ ถ้าไม่มีเวลามาสะสมทรัพย์ภายในการมัแต่สะสมทรัพย์ภายนอกเวลาตายไปอาจจะไปแล้วอาจจะไม่มีอะไรติดตัวไปอาจจะมีบาปติดตัวไปที่จะทำให้ต้องไปเกิดในอบายเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรและกายบ้างไปตกตะลกบ้างเพราะท่านมัแต่ห า, สาสทรัพย์ภายนอกบางครั้งความโลภความอยาก ความโกรธของเราก็อาจจะทำให้เราต้องไปทำบาปกันดังนั้นเราควรที่จะหารันเวลาอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันคือวันพระมาให้กับการสะสมทรัพย์ภายในกันจะได้เราจะได้มีอะไรติดตัวไปต่อไปถ้าเราโมแต่ทำหมากินไม่หยุดทำหมากินเราคิดว่าทรัพย์ภายอนนี้เป็นสิ่งที่สาคัญเราก็อาจจะ ถูกกิเลสหลอกเราเพราะว่าทรัพย์ภายนอกนี้เป็นทรัพย์ชั่วข่าวทรัพย์ที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เราอาจจะไม่รู้ว่าเรายัางต้องไปต่อกันคนที่โมแต่หาทรัพย์ภายนอกนี้เขาคิดว่าเขาเมื่อตายไปแล้วชีวิตเขาก็สิ้นสุดลงไม่มีการไปเกิดต่อไปอีกเขาก็เลยไม่สนใจกับการสะสมทรัพย์ภายในแต่คนที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า จะรู้ว่าชีวิตของพวกเราไม่ได้จบลงที่ความตายของร่างกายความตายของร่างกายนี้เป็นเพียงการสิ้นสุดของบทหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองแต่เรายังมีบทต่อไปที่เราจะต้องไปเล่นต่อไปเพราะว่าใจผู้เล่นบทต่างๆนี้ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายบทหน้าอาจจะไปเล่นเป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นพระอริยบุคคลก็ได้ หรือไปเป็นสัตว์ในละชานก็ได้กนอยู่กับว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่ในขณะนี้ถ้าเรามาสะสมทรัพย์กันเราก็จะได้ทรัพย์ที่ดีไปกับเราถ้าเราโมวแต่ทำบาสมัวแต่หากินหาเงินหาทองเราก็า จ, จะเอาทรัพย์ที่ไม่ดีติดตัวกับเราไปนี่ก็คือเรื่องของวันพระคือวันที่พระเจ้าต้องการให้พวกเรามาสะสมทรัพย์ภายในกัน ด้วยการทำบุญทำด้วยการละการกระทำบาปเพื่อรักษามนุษยทรัพย์ไม่ทำบาปไม่เสพวิญญาณมุกเราก็จะมีมนุษย์รัพย์เป็นสมบัติถ้าทำบุญทำทานด้วยเราก็จะได้เทพัพย์เป็นสมบัติถ้าฝึกสตินั่งสมาธิถือศีลแปดขึ้นไปได้เราก็จะมีพรหมรัพย์ติดตัวไปถ้าจเจริญปัญญาให้เห็นทุกอย่างในโลกว่าเป็นตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตา เห็นอริยสัจ ส, สีทุกสมุทัยนิโรธมักเราก็จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้อันนี้คือเรื่องราวของทรัพย์ภายในที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเพราะว่าเรามีการแบ่งเวลาเป็นสองช่วงช่วงแรกสาสิบนาทีแรกเราจะนั่งเราจะฟังเทศฟังธรรมกันแล้วช่วงส0สิบนาทีต่อมาคือตั้งแต่วันนี้ไปเราก็จะมานั่งสมาธิกัน มาจเจริญซับภายในที่เรียกว่าเป็นพรหมซับคือจเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นรูปประชานขึ้นมาถ้าเราได้รูปประชานเราก็จะได้ได้พรหมซับกันาการที่เราจะนั่งสมาธิแล้วทําให้ใจเรานิ่งให้เราสงบได้เราต้องมีสติคอยกํากับใจผูกใจไว้ให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ต่างๆ ที่พระเจ้าส่งสอนให้เราใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเราจะใช้กรรมฐานแบบไหนก็ได้ถ้าเราเคยใช้แล้วได้ผลดีก็ใช้แบบนั้นไปบางท่านได้ใช้พุโทโธได้ผลดีทำใจให้นิ่งให้สงบก็ใช้พุโทโธไปบางท่านก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกไปบางท่านใช้การสวดมนต์ก่อนก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้แต่ข้อสาคัญก็คือเวลานั่งอย่านั่งเฉย นั่งแล้วต้องมีสติกำกับใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่าทิ้งกรรมฐานต้องมีกรรมกรรมฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าเราไม่อยู่กับกรรมฐานเดี๋ยวใจเราจะลอยไปกับความคิดจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดไปเรื่อยๆคิดไปแล้วก็จะนั่งสมาธิไม่ได้ผลอะไรต้องอยู่กับกรรมฐานถูกใจให้อยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจออ ก, ก็ได้อยู่กับการสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ หรือวิธีอื่นก็ได้ที่เราเคยใช้มาแล้วได้ผลดีก็ใช้วิธีนั้นก็ได้บางคนใช้อาการ32สวดอาการ32ไปก็ได้บางคนสวดบทแผ่เมตตาก็ได้มีหลากหลายวิธีด้วยกันที่สามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้แต่ข้อสำคัญต้องมีอะไรผูกใจไว้อย่านั่งเฉยๆเพราะนั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวใจจะลอยไปกับความคิดต่างๆหรือมีอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้มีเสียงเข้ามาก็อย่าไปสนใจ มีภาพมีแสงอะไรปรากฏขึ้นในใจก็อย่าไปตามรู้ให้กลับมาหากรรมาฐานทันทีถ้าไปสนใจไปตามรู้เดี๋ยวใจก็จะใจก็จะลอยไปใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะไม่สงบนั่งสมาธิแล้วใจก็จะไม่มีความสุขแต่อย่างใดเป้าหมายของการนั่งสมาธินี้ต้องการให้ใจนิ่งให้สงบเพราะเวลาใจนิ่งสงบแล้วจะเกิดความสุขที่มหัศจรรย์ใจขึ้นมาความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง จะทําให้เราสามารถลดละกิเลส ต, ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบกิเลสที่อยากจะดึงให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองนี้ก็จะไม่สามารถดึงเราไปได้ถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ดันั้นเป้าหมายของการนั่งสมาธิก็เพื่อให้ใจนิ่งให้สงบให้เกิดความสุขให้เกิดอุเบกขาตาศจากอารมณ์รักชังกลัวหลง ไม่ได้ให้เห็นอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ให้เห็นนรกเห็นสวรรค์หรือเห็นอะไรทั้งสิ้นให้อยู่กับความว่างให้อยู่กับความรู้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองนี่คือวิธีการนั่งสมาธิที่เราจะมาทํากันไปจนกว่าจะหมดเวลาตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิก ขอให้สังเกตดูว่าวันนี้เรานั่งแล้วสงบดีหรือไม่ถ้าสงบดีก็ให้จําวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าเวลานั่งก็เอาวิธีนี้ไปนั่งต่อได้แล้วจิตก็จะสงบได้อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบนี้จะไม่ทําให้มันสงบต้องวิธีนั่งที่ทําให้ใจสงบต้องจําวิธีนั่งไว้ ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยก็ควรพยายามสร้างสติเจริญสติบ่อยๆในระหว่างวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเวลาไหนนึกได้ก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยแล้วคราวหน้าแล่นั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอปกปติอิชิตังปะิตังตุมห um ังคิปเมวะสมิจโตสัพเทปุเรนตุสังขปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ ราโสยถาสพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวตวันตายยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทันสีลิษานิจังุทาปจายโนจตารโหธรมมวะทานเตอายุวโนสุขัง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 ตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สามร y อย t u b สิเจ็ดพระสุชาติไลฟ์สา7ร o อย u b e สเจ็ดยูทูบด็ร์วีหอวิทยุออนไลน์สับฮ์สหน้ากุฏิสองรอสี่บรวมเก้า้อยเจ็ดิเอ็ดค่ะคำถามฝากถามจากหน้ากุฏิค่ะ มีพ่อแม่ครูอาจารย์เคยบอกดิฉันว่าจะผิดหวังทุกอย่างในชีวิตจะสมหวังเฉพาะทางธรรมเท่านั้นจึงขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าควรทำอย่างไรเจ้าคะ่ะก็เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่เราเชื่อก็ทําตามที่ท่านบอกถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องทำามทาตามเพราะเราก็ไม่รู้ว่าท่านรู้จริงหรือไม่รู้จริงแล้วแต่เราแต่ถ้าเชื่อไว้ก็ดีเพราะเราจะได้ไปทางธรรมได้ ทางโลกมันเป็นทางแห่งความผิดหวังอยู่ดีทุกคน่ะไอ้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องผิดหวังต้องเสียใจต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะทางโลกเป็นทางของความทุกข์ทางธรรมนี้เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นเชื่อพระก็ดีนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องผิดหวังแล้วเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่จะทำให้เรามีแต่ความสมหวังไปตลอด คำถามฝากถามจากหน้ากูติอีกหนึ่งท่านค่ะหนูเริ่มจากปฏิบัติพองหนอยุบหนอเดินจงกรมและกําหนดอิริยาบถ ย, ย่อยโดยเวลานั่งสมาธิหนูจะเริ่มจากพองหนอยุบหนอก่อนพอปฏิบัติไปสักพักจิตย้ายมาดูลมหายใจที่ปลายจมูกแทนแล้วหนูก็กําหนดพุทโธสลับไปมาแบบนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะและสั่งสอนทีเจ้าคะ่ะ ควรจะเอาจุดเดียวดีกว่าถ้าเรายูดจุดไหนก็ให้อยู่จุดนั้นอย่าเคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานอกจากว่ามันมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนจริงๆค่อยเปลี่ยนถ้าไม่จําเป็นก็เอาจุดเดียวดีกว่าให้มันนิ่งไปเลยให้มันสงบไปเลยกาบนามัสการท่านพระอาจารย์เจ้า ค, ค่ะคือได้อ่านหนังสือ เข้าสูนิพานนะเจ้าค่ะของหลวงตามหาปัวแล้วมีบทที่9นะคะคนจริงย่อมถึงธรรมของจริงเจ้าค่ะท่านมีอยู่ข้อหนึ่งที่พูดถึงสมมติมีองค์8นะเจ้าค่ะแล้วมีอยู่ข้อหนึ่งที่เป็นสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบเจ้าค่ะท่านกล่าวว่าด้วยอารมณ์อันเป็นธรรมของจิตอย่าไปคิด อารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาเผาลนตนเองมีแต่อารมณ์แห่งอัดแห่งธทรรมเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสเป็นเครื่องเลี้ยงจิตใจให้มีความเรื่อนเดิงบันเทิงมีความสงบมีความสงบเย็นใจมีความสง่าผ่าเผยมีความฉลาดรอบตัวไม่นำอารมณ์อันเป็นพิษเข้าสู่ใจ นั่นแลสัมมาอาชีวะแท้ซึ่งเคยเรียนมาว่าถ้าเป็นคารวาสก็คือเลี้ยงชีพชอบคือปฏิบัติหน้าที่การงานในทางนักบวชเป็นพักปฏิบัติธรรมก็คือไปบิณฑบาตนะเจ้าคะ่ะทั้งหมดที่ท่านกล่าวมานั้นคือคือเป็นการเลี้ยงชีพชอบอย่างไรเจ้าคะ เลี้ยงชีพของใจไงใจก็เหมือนร่างกายร่างกายก็ต้องอาหารต้องอะไรแล้วก็ต้องไปหาอาหารหาปัจจัยสี่มาโดวยวิธีเลี้ยงชีพด้วยชอบบินตบาตธรรมภะก็บินทบาตญาติโ ย, ยมก็ทำมาหากินหาเงินหาทองมาซื้อก้าอาหารมากินแต่ใจก็ต้องมีการเลี้ยงใจด้วยอาชีพที่ชอบอาชีพที่ชอบของใจก็คือเอาธรรมะเข้าสู่ใจ ยาวออยาพิษอเอาอากิเลสเอาเรื่องโลคโกรธหลงเข้าสู่ใจความมายเรีว่าอย่างนี้มันมีสองสองสองสองส่วนด้วยกันส่วนร่างกายนะส่วนใจ <Okay. S 1> เราก็ต้องดูแลทั้งสองส่วน <Okay. S 1> ร่างกายเราก็เลี้ยงชีพด้วยวิธีธรรมากินโดยสุดจริต <Okay. S 1> ใจเราก็หาแต่ธรรมะเข้าสู่ใจหาสติห า, หาปัญญาเข้าสู่ใจ <Okay. S 1> อย่าเอากิเลสเอาความโลภความโกรธความหลงเข้าสู่ใจ เจ้าค่ะกลับขอขอบคุณเจ้าค่ะคำถามฝากถามจากนากุติคะ่ะหนูสังเกตว่าเวลาถือโบสดสีในวันพระทีไรจะมักมีเสียงเพลงที่ชอบในหัวทุกครั้งแล้วหนูก็จะหยุดและกําหนดอิริยาบถย่อยเพื่อไม่ให้เสียงเพลงในหัวดังขึ้นหนูทําถูกต้องแล้วหรือไม่เจ้าคะและควรปฏิบัติกับเสียงเพลงในหัวอย่างไรดีเจ้าคะ อย่าไปสนใจมันให้เราใช้สติถูกใจไว้กับกรรมาฐานอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเสียงเพลงมันก็จะหายไปเองคำถามฝากถามจากทางบ้านมี2ข้อค่ะช่วงนี้เวลาเห็นอพอไม่ได้นั่งดูจริงจังละครหรือ m อบที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักหรือบทเศร้าจากการสูญเสียคนรักแล้วไม่อินคือไม่มีอารมณ์เศร้าใจเสียใจไปกับตัวละครในเรื่องเหมือนเมื่อก่อนอ หนูก็ถามตัวเองว่าทำไมเราไม่อินมันมีคำตอบทันทีว่าหนึ่งไม่ใช่เรื่องของเราและสองมันเป็นธรรมดาที่ทุกอย่างไม่แน่นอนมีตอนจบเหมือนคำเทศ ค, คำสอนของหลวงพ่อเลยทำให้เราไม่อินแบบนี้ถือว่าไม่ผิดปกติใช่ไหมคะเพียงแต่จะแตกต่างจากคนทั่วไปใช่อันนี้เรียกว่ามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นเกิดดับเห็นการเจริญการเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ คำถามข้อที่สองค่ะ ถึงหนูจะไม่อินกับเรื่องต่างๆตามคําถามข้อหนึ่งแต่ในใจหนูยังรู้สึกค้างคากับคนคนหนึ่งที่ก่อนนั้นเคยรู้สึกรักและห่างกันไปความรู้สึกมันไม่ได้เศร้าเสียใจหนักเหมือนช่วงแรกๆแต่ทุกครั้งเวลาที่ปล่อยใจคิดถึงเรื่องของเขามันมังมีอารมณ์น้อยใจเสียใจมันยังวางว่าเขาเป็นเหมือนคนอื่นไม่ได้ร้อเปอร์เซนตหนูต้องพิจารณาอย่างไรคะเพื่อให้ปล่อยวางเขาได้จริงๆขอหลวงพ่อเมตตา สอนอุบายวิธีพิจารณาด้วยเจ้าค่ะก็มองเป็นเรื่องเดียวกันกับที่เราดูในดูในภาพยนตร์ดูในละครชีวิตเราก็เป็นโงละครโงใหญ่ก็ให้มองว่าเราก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งเพีแต่ว่าเรายังไปเอาจริงเอาจังกับมันอยู่เราต้องทําตัวเราให้เป็นเหมือนคนดูคนดูละครแล้วก็ดูว่าตัวละครก็มีได้มีเสียมีดีใจมีเสียใจเป็นธรรมดา พอไปยึดไปติดถ้าไม่อยากเสียใจก็อย่าไปยึดอย่าไปติดปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะรักเราไม่ไม่รักเราก็เรื่องของเขาไปถ้าเราใวหวังให้เขารักเราแล้วเขาไม่รักเราเราก็จะเสียใจคําถามจากคุณใบยกค่ะจากการปฏิบตัติลูกรับรู้มาแบบนี้เจ้าค่ะไม่มีอะไรเที่ยงแม้กระทั่งจิตใจเราที่ว่าสงบ เมื่อวานลูกยังเห็นอารมณ์ไม่พอใจที่ซ่อนอยู่ในนี้หลบอยู่หลังธรรมคือกิเลสลูกควรทำอย่างไรต่อเจ้าค่ะพระาราจากรุนาชีแน่ด้วยเจ้าค่ะก็รู้ทันนปล่อยวางไม่ต้องไปมีอารมณ์กับมันมันจะสงบก็รู้ว่ามันสงบมันไม่สงบก็รู้ว่ามันไม่สงบอย่าไปอยากให้มันสงบเวลามันไม่สงบก็อย่าไปอยากให้มันสงบอยู่กับมันไปหรือถ้ารู้วิธีทาให้มันสงบก็ทาไป เรนใช้สติบริกรรมพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็สงบได้แต่อย่าไม่มีความอยากกับว่ากับจิตใจจิตใจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันก็ให้รู้เฉยๆไปถ้าเราอยากจะควบคุมมันถ้าเรามีสติเราก็ใช้สติใช้ปัญญาควบคุมมันได้คําถามจากคุณพิมพ์รวิค่ะช่วงเริ่มนั่งสมาธิจะฟุ้งควรทําอย่างไรให้สงบง่ายคะ ก็มีวิธีหนึ่งก็คือใช้การสวดมนตน์ไปสวดมนตน์ไปก่อนสวดไปเรื่อยๆจนกว่าความฟุ้งจะหายไปแล้วค่อยกลับมาบริกรรมพุทโธแล้วดูลมหายใจต่อไปคำถามจากคุณสัญญาค่ะวันนี้วันพระไม่ได้ไปทำบุญสวดมนตน์ถือศีลที่วัดแต่มานั่งสมาธิฟังธรรมทางเฟซบุ๊ที่พระอาจารย์ไลฟ์สดจะได้บุญเหมือนกันไหมเจ้าคะเหมือนกันถ้าใจสงบก็เป็นบุญเหมือนกัน จากคุณปันค่ะถ้าพ่อแม่แช่งแล้วเราจะไม่ดีเหมือนคําที่พ่อแม่แช่งไหมคะเห็ he he a, นเขาบอกว่าคําพูดพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะน่าศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าก็ลองดูไปสิถ้าศักดิ์สิทธิ์ก็ดีคําถามจากคุณนพรัตค่ะการทําสมาธิโดยการเดินจงกรมมีข้อดีข้อเสีย ต่างจากการนั่งสมาธิอย่างไรคะคือการเดินก็เป็นการจจริญสติเหมือนกับการนั่งแต่ความสงบจะได้ไม่เท่ากับการนั่งเพราะว่า<ม>เวลาเดินนีจ้จิตยังต้องทำงานอยู่จิตยังต้องสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวยอยู่ดังนั้นจิตจะรวมเป็นหนึ่งนี่ยากแต่ถ้านั่งเฉยๆจิตไม่ต้องทำงานพอจิตนิ่งสงบก็จะรวมเป็นหนึ่งได้ได้เต็มที่ต่างกันตรงนี้ท่านัเอง เดินจงกรมก็ได้สตินั่งสมาธิก็ได้สติแต่ได้จิตที่รวมคำถามจากคุณชัยยันค่ะผมพยายามนำคำสอนมาปฏิบัติให้ได้มากที่สุดตามกำลังของสติที่ตัวเองมีเพื่อมันเทาความทุกข์ที่มีอยู่แต่บางทีก็เกิดความรู้สึกท้อแท้ในการปฏิบตัติไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในใจความคิดวิตกกังวลกับเรื่องของอนาคตที่ยังไม่เกิด คิดถึงเรื่องร้ายๆกับความผิดพลาดในอดีตหรือจะเป็นปัญหาอื่นๆที่ต้องเจอไม่สามารถปฏิเสธได้ผมควรฝึกเพิ่มกำลังใจอย่างไรครับกับเมตตาขอคำแนะนำครับเขารู้ว่าเรากำลังคิดเรื่องราวที่ทำให้ใจเราเศร้าก็หยุดคิดมันใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวอาการความรู้สึกเศร้าหรือรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายก็จะหายไป พอคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ต้องหยุดมันหยุดมันด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะลืมเรื่องที่เราคิดไม่ดีไปอารมณ์ที่ไม่ดีก็จะหายไปหมด้วเลยคาถาม <Okay. S 1> มีใครอยากจะถามอีกไหมถามประจำหรือเปล่า <c oughs> ยังมีเวลาเลย อ, อีกนิดหน่อยอย่ามาถามตอนที่เลิกแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นจะไม่สะดวกแนะ เพรเดี๋ยวญาติโยมจะมาลาบ้างบางท่านก็จะมาขอถ่ายรูปบ้างก็จะไม่สะดวกที่จะพูดคุยธรรมะกันเวลาพูดคุยธรรมะต้องอยู่ในที่สงบทุกอย่างสงบกายวาจาใจสงบร่างกายก็นั่งเฉยๆวาจาเขไม่พูดคุยกันนอกจากสนทนาธรรมใจก็ไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมไปก็จะได้ประโยชน์ ได้ประโยชน์ได้ได้ยินได้ฟังทางที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนความที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับจะทําให้เกิดความความลังเลสงสัยหายไปได้จะทําให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเป็นปัญญาแล้วก็จะทําให้จิตสงบผ่องใสนี่คือการสนทนาธรรมอริส่งของการสนทนาธรรม อาเชิญถามได้เลยจ้าพูดใกล้ใกล้ไหมเนาะขอาการเรียนถามค่ะถ้าสมมติว่าการที่บอกว่าบาปไม่บาปอยู่ที่เจตนาแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าคนที่เขาไปทําร้ายคนแต่เขาไม่ได้เจตนาคําถามคือเขาจะมีผลกรรมตรงนี้ยหรือเปล่าค่ะบาปไม่มีแต่อาจจะมีเวรคนที่เขาถูกทําร้ายเขาก็าอาจจะจองเวรจองกรรมได้เช่นเราขับรถไปชนเขาโดยที่เราไม่ตั้งใจจะไปชนเขาเนี่ย เขาก็เสียหายเขาก็จะโกรธเราเกลดเราได้แต่เราไม่ต้องไปใช้ใช้กรรมในอบายเพราะเราไม่ได้มีความตั้งใจจะทําบาปเป็นอุบัติเหตุแล้วกับเคสของการประมาทเรื่อยๆอะคะก็แบบเดียวกันประมาทก็ไม่มีสติมันก็ไม่มีความตั้งใจถ้ามีความตั้งใจถึงจะเป็นบาปแต่ถ้าไม่มีความตั้งใจมันก็มีแต่ความเสียหายและความเสียหายนั้นก็จะกลับมาหาที่เราได้เหมือนกัน เราไปทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนเขาอาจจะอยากจะกลับมาทำให้เราเสียหายเดือดร้อนได้อันนี้เกิดขึ้นได้แต่บาปที่เกิดจากการแต่การการกระทำที่ไม่มีความตั้งใจนี้ไม่เป็นบาปเป็นเรื่องของการขาดสติก็ดีเป็นเรื่องของอุบัติเหตุก็ดีแต่ก็จะมีมีเวรมีต้องใช้เวร ทำให้เขาเสียหายเดี๋ยวความเสียหายนั้นก็จะกลับมาหาเราเวนนี้จบในชาตินี้หรือว่าติดต่อไปชาติหน้าคะไม่รู้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่มันขอให้มันจบก็แล้วกันแต่จบเมื่อไหร่ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่รู้ขอบคุณค่ ะ, อ, ะ, อ, ะอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งกลับนรัสการครับอ คือผมพอนั่งสมาธิเราถึงสงบจุดหนึ่งครับผมก็เริ่มพิจารณาพวกขันครับพอ บ, บได้ยินเสียงก็บอกว่าเนี่ยบุญญาณสมัมผัสแล้ว ก, แวก็แล้วก็เหมือนถ้าเป็นเสียงที่ไม่ชอบก็วเวทนาไม่ชอบแล้วก็ทําไมไม่ชอบก็บอกว่ตัวเป็นเป็นแบบสังขาครค็ดอยู่อย่างเงี้ยคือเราควรจะพูดไหมครับว่าแบบเนี่ยขันนี้ขันนี้ขัน น, น, นี้หรือว่าหรือว่าแค่แบบรู้ไป คือความจริงเวลานั่งสมาธินี้เราไม่ต้องการที่จะพิจารณาเลยเวลาจิตนิ่งสงบแล้วต้องรักษาความสงบไปนานๆก่อนเพราะเป็นเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่พอเราชาร์จแบตเตอรี่ปั๊บเราไม่ถอดสายออกมาไปเราไปเปิดเครื่องใช้เลยเพราะว่ามันจะหมดหมดกําลังการนั่งสมาธิเพื่อชาร์จกาลังอุเบกขาให้กับใจแต่พอเราเริ่มคิดการชาร์จอุเบกขาก็จะหยุดทันที เราก็จะไม่มีอุเบกขาหลังจากที่นั่งสมาธิออกมาใจเราก็จะร้อนเหมือนเดิมงั้นเวลานั่งสมาธินี่ต้องการทําใจให้เย็นด้วยอุเบกขาพอนิ่งแล้วไม่ให้ทําอะไรทั้งนั้นให้รักษาความนิ่งนี้ไปนานๆจนกว่าจะนิ่งไม่ได้แล้วถึงออกมาพอออกมาแล้วทีนี้อยากจะพิจารณาทางปัญญาก็พิจารณาได้แต่ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนไม่ทําในขณะที่อยู่ในสมาธิสมัยผมแบบอม นั่งสมาธิเราจุดหนึ่งเหมือนแบบมันสงบแล้วก็เหมือนเข้าไปในผวังแหละครับเหมือนแบบมันอยู่ในนานๆไงให้มันอยู่ในนัานๆเหมือนอยู่ในฝันตัว่าเหมือนแบบมันมันไม่ได้รู้สึกตัวเลยครับเลยให้มันอยู่อางนั้นนานๆอย่าไปดึงมันออกมาคิดพิจารณาอืมอย่าพิ่งพิจารณาอย่าพึ่งใช่ไหมให้มันนิ่งไปนานๆจนกว่ามันจะออกมาเองพอมาเองก็อยากจะพิจารณาก็พิจารณาได้ครับขอบคุณครับ คำถามจากคุณธงชัยค่ะผมมีโรคประจำตัวควรทำอย่างไรให้โรคเบาลงครับอย่ากลับมาเกิดนะถ้ากลับมาเกิดก็มีโรคทุกคนมากมีน้อยมันก็มีไปจนถึงวันตายนะรักษาไงมันก็รักษาโรคนี้หายเดี๋ยวโรคใหม่ก็ตามเข้ามาใหม่ดีถ้าไม่อยากจะให้ไม่มีโรคเลยก็อยากกลับมาเกิดเท่านั้นคนจะถามคำถาม นมนรมสการพระอาจารย์ค่ะหนูสงสัยว่าการนั่งสมาธิบางทีเราทนเวทนาไม่ไหวเราปวดขานะคะถ้าเราเปลี่ยนขานี่เป็นเป็นไรไหมคะหรือว่ามไม่เป็นไร <c oughs> เพียงแต่เราเริ่มต้นใหม่ค่ะ <c oughs> ทุกครั้งที่เรานั่งเราจะมาติดตรงจุดนี้ค่ะ <c oughs> พอมาถึงจุดนี้ก็ไปต่อไม่ได้ก็ <c oughs> อถอยหลังยกเลิกขยับร่างกายใหม่ <c oughs> ถ้าเราอยากจะข้ามจุดนี้ไปให้ได้เราก็นั่งต่อไปแล้วเพิ่มสติให้มากขึ้น วิธีเพิ่มสติก็ให้ใช้คำบริกรรมไปอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งดูความเจ็บยิง่งยิ่งดูมันยิ่งเจ็บใหญ่ยิ่งอยากจะลุกใหญ่ดังนั้นอย่าไปสนใจความเจ็บเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาส่วนเมืองไปก็ได้บริกรรมพุทโธก็ได้บริกรรมมณิจังทุก ข, ขังอนัตตาไปก็ได้อย่าไปสนใจความเจ็บแล้วเดี๋ยวสติเรามีกําลังมากขึ้นจิตก็จะนิ่งแล้วก็จะผ่านความเจ็บนี้ไปได้แต่ว่าเราต้องผ่านจุดนี้ให้ได้ใช่ไหมไหมไม่งั้นเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นอ่ะ นิพพานอยู่ในภาคเจ็บภาคตาย ข, าขอค่ะก่จะถึงนิพพานต้องผ่านความเจ็บผ่านความตายให้ได้ก่อนขอบคุณ ข, ขอค่ะขอได้ยังคุณตุ้ยค่ะขอสอบถามว่าดูลมหายใจพร้อมบริกรรมพุทโทรหรือว่าใจบริกรรมพุทธโทรเร็วๆแย่กับลมหายใจไม่เกี่ยวกันอย่างไหนดีครับ ก็ปกติเขาก็ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งดดลมเดี ย, วอ ย, ดย ว, อดวอย่างเดียวหรือพุทโธอย่างเดียวแต่บางคนก็อยากจะใช้สองอย่างอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะพิจารณาทดลองดูเอาก็แล้วกันว่าอย่างไหนทำแล้วได้เกิดผลดีก็ใช้อย่างนั้นไปอ้นนาวมีคำถามหรือ่มัสการค่ะหลวงพ่อหนูมีเรื่องติดขัดคือว่าหนูนั่งสมาธิช่วงนี้หนูนั่งทุกวัน แล้วหนูเลยเวทนาพอหนูเลยเวทนาเสร็จหนูเรื่องเจ็บปวดเนี่ยหนูก็เลยไปแต่ทีนี้หนูไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสไหมหนูพ่อคือว่าหนูอยากออกแล้วค่ะพอเลยเจ็บไปแล้วหนูมันมันรู้สึกหนูอยากหยุดแล้วหนูอยากออกเราควรจะทํายังไงต่อที่เราอยากจะอยู่ตรงนั้นได้ได้ะค่ะได้นาที่สุดก็ต้องเริ่มต้นพุทโธใหม่ยันพุทโธใหม่ดูลมใหม่ต่อไปสู้กับความอยาก ไราอยากจะยนั่งต่อไปตอนนี้ความอยากมันกำลังผลักดันให้เราออกแต่ถ้าเราอยากชนะความอยากเราก็ต้องดูลงไปพุทธโทไปจน ก, กว่าความอยากจะออกมันหายไปเราก็นั่งต่อได้อ๋อชอบขาเหรอพ่ออยากจะนั่งอยากจะนั่งนานๆไงนั่งนานๆก็สู้กับความอยากใช่ค่ะอูอยากนั่งนานๆหรือว่าเออเราเลยเจ็บมันเราคิดว่ามันได้แล้วก็ได้ส่วนหนึ่งอะได้รางได้เหรียญทองแดงแล้วอยากจะได้เหรียญเงนก็ ต้องนั่งต่อยังไม่ได้เหรียญทองอย่างนี้เขาเรียกกิเลสใช่ไหมค ะ, ะความอยากก็เป็นกิเลสอเคอยากจะไปหาลูกเสียงกลิ่นเนี่อยากจะเลิกนั่งสมาธิก็อยากจะออกมาดูฟังเสียงอะไรเจ้าค่ะแล้วส่วนอีกเรื่องที่สองคือตอนนี้หนูคิดว่าถ้าหนูไม่หนูตัดภบตัดชาติคือการหนูไม่สร้างกรรมคือการหนูไม่ตอบโต้สิ่งที่หนูไม่ชอบหนูทําถูกใช่ไหมเจ้าคะอันนั้นยังไม่ตัดภบตัดชาติตัดเวร อ๋อเหรอเตัดภตัดชาติต้องตัดความอยากไงแต่นั่งสมาธิแล้วอยากเนี่ยตัวนั้นะตัวที่พาเราไปเกิดอหนูเข้าใจผตัวความอยากเจ้าค่ะอย่างนี้ตัดเวรใช่ไหมค่ะตัดเวรเฉยเฉยใครจะดาเราก็เฉยเยอย่ามาตัดโต๊เขาใครจะทุบตีเราก็เฉยเฉยไปก็ทุบตีไปเจ้าค่ะอเดียวเวรมันก็หมดเจ้าค่ะอต่จะตักภพตัดชาตินี่ต้องตัดความอยากอ๋อหนูเข้าใจผิด แสดงว่าทุกวันนี้หนูที่หนูใช้อยู่คือตัดเวรแต่ยังไม่ได้ตัดพบตัดชาติขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อขค่ะคำถามเป็นคาถามสุดท้ายเชิญหมดแล้วไมีค่ะเอาคำถามเดียวค่ะคถามจากคุณตุกตาค่ะถ้าตั้งใจทำบาปแต่สำนึกได้จะมีวิธีลดบาปไหมคะบาปที่ทำไปแล้วลดไม่ได้แต่สามารถสร้างบุญไว้ต้านกันได้ ใช่เราทำบาปแล้วเรามาทำบุญถ้าเยอะๆกว่าบาปเวลาตายไปบาปนี้ยังไม่มีกำลังออกออกผลได้เพราะบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะเป็นผู้ออกผลก่อนแต่บาปเก่าก็ยังยังค้างอยู่ในใจเวลาใดที่บุญน้อยกว่าบาปบาปนั้นก็จะแ ส, สะดงผลขึ้นมาทันทีโอเคนะเวลาก็หมดแล้วสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด